วันในตรงกับวันที่ยี่สิบเก้าตุลาห้าหนึ่งอีกสิบห้าวันข้างหน้าก็เป็นวันวดนเทศฤดูฝนแป้ว่าวันคืนเดือนปีมันผ่านไปผ่านไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ความสำคัญไม่ได้ให้ความสำคัญในวันคืนเดือนปีพระพุทธเจ้าท่านยังเตือนอีกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป บนี้พวกเราทอะไรอยู่อันนี้คือความหมายก็คือว่าไม่ให้เราพวกเรานิงนอนใจวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่ให้ถามตัวเองว่าอยู่เสมอถ้าตัวเองมีแตพูดมีแต่คุยม่ t ต่ขบคุยดีโมงมีแต่ทำการทางานถือว่าเป็นสาระเป็น แกนสารอย่างเดียวก็ไม่ถูกจุดผะสม์จุดรดดูหมายของพระพุทธเจ้านั่นคืออะไรเราต้องดูจุดพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าให้ดูใจให้ชะะับปักทีเล็ดแนั้นคือจุดใหญ่ให้เห็นในจังทุกขารัตตา พิจารณาร่างกายสังขาราเป็นของไม่เทีย่ยงเป็นอนิจจมกพขังอาราตาร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราใจไปลุ่มหลงมวัวเบากับร่างกายเห็ น, นเรนี่คือถุกพระปรสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ให้พวกพระสาบุอย่างพวกเราทั้ ง, งหลายไปพิจารณา จริงแต่พวกเราเห็นตามความเป็นจริงนักน้อยอย่างไรแค่ไหนหรืหม่แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ใส่ใจในการดูการสังเกตก็จะไม่เห็นแต่ถ้าว่าพวกเรามีความใส่ใจมีความสนใจนักปฏิ ต, ตร ong เหตุและผลอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำท่ากล่าวพวกเราก็จะเห็นทีละน้อยละน้อยไปตามลำดับจนเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายคายพอเห็นจริงๆเห็นตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวสอนจริงๆไม่เป็นทางอื่นพระพุทธเจ้านำทำคำ ส, สอนเอาของจริงมาพูดมา ส, สอนจริงๆ เมื่อพระพุทธเจ้านำาสิ่งที่ท่ารู้ท่าเห็นนำมาสั่งสอนเอาเรื่องของจริงมาพูดในเมื่อพวกเราตั้งใจจริงพฏิบัติจริงพิจารณ า, าทำเทพพระพุทธเจ้าสั่งสอนมันจะพลาดไปที่ไหนมันต้องรู้เห็นจริงอย่างที่พระพุทธองค์ได้แนะนำสั่งสอนเพราะนั้นพวกเราทุกท่านที่เป็นระ กานกระทำสิ่งไหนก็ตามให้พวกเราคิดไปอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปมัดนี้พวกเราทําอะไรอยู่อะไรท้ายๆก็ว่าไม่ให้พวกเรานอนใจนอนจมว่าตัวเองถูกพ้อแล้วดีแล้วในการเป็นอยู่แต่ถ้าว่าพวกเราคิดในใจไว้อยู่เสมออย่างนั้นมันต้องเห็นจุดบุกรุงของตัวเอง ว่าขณะนี้เราเป็นยังไงเป็นที่นอนเกิดได้หรือยังเป็นที่สบายใจได้หรือยังจิเลสในใจของเราหลุดออกไปหรือยังเราเป็นผู้หลุดพ้นจากอาชวกิเลสหรือยังถ้าว่าพวกเรามั่นใจว่าเราหลุดพ้นจากอาชวจิเลสแล้วก็จะอยู่อย่างไงก็ได้ไม่ต้องไปต้องกังบล เป็นพระอาเศถะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่ถึงจุดนั้นพวกเราจะเป็นนอนใจชราใจไม่ได้คิดไมอ่านอะไรเลยอันนั้นแตว่าผู้ประมาทในหละกของในทำคําสั่งสอนของพร ะ, ระพุทธเจ้าวัดผููตั้งอยู่ในความประมาทนอนใจนอนจงในการเป็นอยู่ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ใช้ ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะดันพวกเราผู้พวกเพื่อนต้โอโกงนะให้การโทวนาเลยอันดับแรกก็คือสมาธิพยายามทำคิดให้สมุกพอนอย่างที่องค์หลงตาท่านบอกท่านกล่าวให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาท่านว่าท่านจอยู่กองคหลงปูมัน ในชวงนั้นหลงปูมั่นไปไปรชุมเพื่อหลงปู่เสาที่จะวัดอุบลหลงตาหมาหาวัวท่านก็อยู่เ้าวัดหลงปูไม่อยู่ท่านก็บอกไว้การตัวนัของเรามีจะกำหนดจิตธรรมดากำหนดดูใจดูใจและการกำหนดลงดูดูแล้วมาถึจับเลื่อนลง จะบริกรรมพดโทด้วยทีนี้นะท่นานว่าอะไรท่านใบท่านจิตหลับพดโทนะทีนี้นะขาขวาพดขาซ้ายโท่เวลาหายใจเข้าพดเวลาหายใจออกโทเวลาเวียงมวากว่าจะเวียงซ้ายพดเวียงขวาโท่เวลายกขึ้นก็พดเวลาเวียงไประโทมีสติอยู่ตลอดจะไม่เผลอ คืการทำสติก็ต้งพวกเราทุกท่านนะคือบังครับเพือไม่ให้จิตใจส่งไปที่อื่นจากนั้นบอภาวนาพิจารณาในจุดนี้ก็ถ้าไม่มีครงบ้าอาจารย์ได้ทำสัอนไม่ได้ยินได้ฟังเวลานั่งภาวนาจิตสงบแล้วก็ ค, คิดว่ามันจะออกไปทาง น, นาีพพัฒนาพราะมันณีนในสมาธิแล้วมันจะอบเดินนิพพัฒนามันจะทำ แล้วว่ามันจะกระเด็นหรือว่ามันจะไหยไปสู่วิปัสสนาเองในความรู้สึกของนักปฏิบัติถ้ามาได้ยินดิฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะในลักษณะอย่างนั้นจะตามไม่จริงพอแม่ครูบาอาจารย์นั้นบอกว่ามันได้เป็นบางคนบางคนก็นคือชิบะจิงยาผกหูได้เร็วพวกนั้นนะคนนั่งภาวนาจิตสงบแมันจะออกไปทาง วิปัสสนาได้งานแต่นอกจากนั้นไปแล้วอยากพอจิตสงบแล้วมันจะติดในความสงบของจิตพอเข้าไปมันจะสงบอะพอนั่งเข่าไรมันจะสงบเพราะมันติดในความสงบเพราะความสงบนั้นมันเหมือนกับเราทานอาหารแล้วก็นอนหลับในห้องแ อ, อย่างนั้นอะมันมีความสุขในระดับนึ่ง แต่มันไม่ใช่ความสุขที่มันจะหาทรัพย์สมบัติไม่ใส่ตัวเองอันนีค้คล้ายๆคำว่ามันมันเป็นความสุขเหมือนกับเรากินข้าวนอนหลับอย่างนั้นแหละแต่พอถื่ขึ้นมาแล้วท่นี้แต่พอมันหิวขึ้นมาแล้วบ่นนะทะน่นี้ไม่มีเงินทำทรัพย์สมบัติจะซื้อสินซื้อของมาเลี้ยงร่างกายตรงนี้นมันหาความสุขไม่ได้ทน่นี้เพราะว่ามันไม่ได้คิดอะไมันไม่จต่ความ สงก็ชุกเพียงชูกขณะเท่านั้นเพราะ น, นั้นท่านจึงให้มังคับให้ออกพิจารณานะให้พิจารณาอะไรนะถ้ขณะพิจารณาร่างกายนะเน่พวกฟอร์เร า, ราศึกษานะทีเดียกรรมฐานห้านะเกษะโสมรมากขนมาขาและทันตาฟันตาโจนานะให้อยู่ในกรรมฐานห้านะีเริ่มมากกว่านั้นรอพิจารณาถึงกระดูก แต่ผมมาให้พิจารณากระดู ก, กมากกว่าถ้าเราพิจารณาเกส ร, กรมารคธ า, าตุตาตาโจเบี้ยมันก็น้อยเกินไปมันใช้พิจารณาทบทวนดูไม่กี่อย่างแต่ถ้าเราพิจารณากระดูกกับโหรกดูกระโหกศีรษะของเราเป็นยังไงเราเคยเห็นกระดูกไหมเราเคยเห็นผาาหาดกระดูกไหมเราเคยเห็นฟิล์มอิดเะเลของตัวเองไหม เราเคยเห็นฟิ์มทะเลคนอื่นไหมเราเคยเห็นโครงกระดูกที่เขาเขียนไว้ไหมอันนี้เราให้สังเกตในเมื่อเราเห็นกระดูกเขาแขวนไว้แล้เวเห็นโครงกระดูกเราก็นำความเท็นะนะักนความรู้นั้นะมากำหนดกระดูกตัวเองแค่นถาม่ากระดูกที่เราเห็นนะั่นะกับกระดูกของเราเนี่ยเหมือนกันไหมให้ถามนะ่นั้ ท่าบอกว่ามันไม่เหมือนแสดงว่าใจของเราเนี่ยไม่ยอมรับว่าจริงนั้นมันกงปลอมมันมันร่างกายเนี่ยไม่มีกระดูกแสดงว่ากิเลสของเราเนี่ยมันท่วมทน้นภูเขาภูเราทิ้งกินเหมือนกันนะแมันมากมหาศาแต่ถ้ า, าเราไปเจรจาเห็นร่างกายเห็นกระดูกของคนอื่นแล้ว เรายอมรับกระดู ก, กันเป็นของจริงในร่างกายของเราก็ไม่แพ้นั้นนั้นไม่แพเราอันเดียวกันเพียงแต่ว่าใหญ่ลเล็กธรรมดกระดูกมีสมมติกันทั้งหมดไม่มีตัวไหนขาดตกบก่ในร่างกายของเราเพราะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเราสังเกตดูให้ละเอียดจากนั้นเราก็าจะมุ่งมั่น ตั้งแต่หัวจากเท้าตั้งแต่ศีรษะของเรามีอะไรบ้างกำหนดดูกระโลกศีรษะของเรามันอยู่ในลักษณะไหนที่เราเห็นโครงกระดูกกระดูกดกูกระบอกของปาของจมูกของฟันฟันบนฝันล่างและวกระดูกขาของกันไกลจากนั้นกระดูกคอเป็นก้อนจากนั้นลงมาถึงไหลถึงแขน ถึงฝ่ามือถึงนิ้วมือให้เห็นแต่กระดูกไม่เห็นเนอหอ้ไม่เห็นหนให้เห็นแต่กระดูกของตัวเองกำหนดดูไล่ดูที่ราคาราคาขายชากำหดูจากตั้งคอให้ดูลงไปกระดูกต่างกระดูกชีโคกระดูกมันเยวกระดูกเชิงกานกระดูกกระดูกเข่ากระดกแขงกระดูกข้อเท้า ฝ้ากระดกนิ้วเท้าแต่ดูเ บ, บ็ดช้าๆให้เห็นเหมือนเราเห็นนี่แหละให้กำหนดดูกระดูกแล้วไม่ใชใ่ดูครั้งเดียวพอเห็นเสรแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาจากขาขึ้นมาบนศีรษะอีกแล้วก็ดูจากศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้าอีกกำหนดดูจย่าง น, นัในใจของเรา เมื่อกำหนดกลมไทยเรายังไม่เห็นชัดจุดใดเราก็ไห้พิจารณาอยู่ยนั้นทบทวนอยนู่นั้นให้เป็นยี่สิบสามสิี่สิบครั้งใ ห, ให้ดูดูนั้นเมื่อเราพิจารนากำหนดเราเห็นกะโหลกศีรษะของเราชัดเจนในความผู้สึกธเราก็สติจับจุดจุดนั้นขึ้นมาแต่เมื่อเราเห็นกระโหลกหุดจุดไหนเราเห็นกระโหลกไหนหุดในจุดไหนเห็นชัดเจนในความผู้สึกธ เราก็เอาสติจับจุดจบนั้นจ่อจุดจบนั้นหรือจังหวะแผงจุดนั้นก็ได้กาหนดจุดุกนั้นจะไม่ต้องแทงอย่างแรงนะให้ เ, เรากำหนดดูให้รู้ว่ากระดูกของเราเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปยักไปที่อื่นพต่ยางนั้่นอันนี้จิตของเราจะเข้าสู่ความสงบได้ที่องค์ดวงตาจังหวะนี่แคือปัญญาอบรมสมาธิ คือให้ใช้ความคิดสก่อนพวกถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นใจของเรามันไม่อยู่กำหนดลมหายใจในรูปแบบายไปนู่นหายไปนีมนม่มันไม่อยู่ถ้าเรากำหนดไล่กระดูกอยู่อย่างนั้นนับอกระดูกอย่งนั้นไลเ่เีงกระดูกตัวเองอย่นั้นตั้งแต่หัวจุดเท้าตั้งแต่เท้าจุดหัตั้งแต่หัวจุดเท้าตั้งแต่เท้าจดุดหัวค่อยๆดูด้วยสติให้มีสติทุกขณะที่คิดที่กำหนดดู สู่ความสงกเมื่อเห็นความสงเป็นหนพิจารณา้เห็นกระดูกนะี่เป็นอนุจนะังนาของไม่เทียงนะอีกสักวันนึงนะเขจะต้อเขาไฟนะทิ้งนะในร่างกายนะเตานะ่าอเล่นพิจารณาดูใร่างกายมันเมื่อพรณาดูแล้วห้เห็นเป็นอนุจกของไม่เทียงสิ่งใที่มันไม่เทียงเรามายึดของไม่เทีย ง, ง, ม, ยงมันแก่ มันเก็บล้วมันตายใจของเราก็เป็นทุกเป็นทุกกับสิ่งเหล่านี้นี่เพราะว่าใจของเราไม่รู้เท่าทันาะใจของเราหลงงมงายกับพาดทันแต่พูดอย่างนั้นได้คือใจของเราหลงกับทาดทันหลงทักทีหลงร่างกายตัวเองในเมื่อหลงร่างกายตัวเองว่าร่างกายเป็นของเราอยากจะเอาสิ่งของดูแล ลงไปเท่าไหร่มันก็แก่แก่ไปเรื่อยมันไม่ลงพอแก่แล้วก็เมื่อมีโวค่ะมันก็เจ็บปวดแขนปวดขาเป็นไข้เป็นหนาวก็เกิดขึ้นเป็นหมัดเป็นไอเกิดขึ้นดูแลเอายามาใส่ดูแลเขาไปมันก็ยังเจ็บมันไม่ถอยคนที่สุดนะถึงภาวะไปถึง ต้องปล่อยวาจกรเป็นทิ้งมันก็ต้องไปทิ้งตพรามันตายเพราะมันหมดสภาพี่ให้แค่เราพิจารณาเห็นอนิจจังของไมเทียนทุกขังร่างกายเป็นอย่างนั้นใจเราไปทุกไปแบกภาระว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราจากนั้นพิจารณาเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวของเราเนี่ยแหละเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราสิ่งอย่างอื่นจะเป็นของเราได้ยังไง วัดป่าศาสนาหมู่พกเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายาย่นวธรรมใจได้ถึง ย, ปยรปพิจาณนาดูเอออันนั้นควรจะทำยังไงควรจะปฏิบัติอย่างไงเจริจะตูกท่องที่จะเป็นธรรมนี่แหละกาวขพวกเราใช้ปัญญาปิยนาแต่รองเหตุที่ผลอย่างนี้แล้วผมว่าเนี่ย น, นะมนุเลดตาคาในความกหนัง ด, ดีดีหอมรักสวยรักงามรักหญิงักชายไก่ก็ตาม มันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงจะไปรับยังไงก็เพียงแค่นั้นแนหะกระดูกเขากระดูกเราก็กระดูกไม่ใช่สวยงามที่ตรงไหนตรงไหนที่สวยงามตลบอกน้ออกทีที่พูดผ่านขึ้นมากัวกระดูกเป็หุ้มพราะมีเลือดคาดว่ามันมีเลือดก็เป็นจะเป็นยังไง yeah. แต่เมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วผมมาตัดเกล็มตาร拉คนายยังมากบนนั้นพวกเราทุกคนนะ เปิดก้อยยังยินกิเลสมันไม่ได้เรียกว่า 800, พระน้อยพรนุพระเท่าพรแกมันมีอยู่กับผูใจทุกคนให้พวกเราพิจารณาจุดนี้ให้มากาะเป็นพกรรมานพาาเรื่องอสุภาพเรื่องความตายไ้อยู่ใใจเสมอจะใช้ระบบกำหนดลมหายใจเขา้าหายใจออกอย่างที่มกลมตาพราปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าพุทได้ใจออกโตขาขาพุขาทขา้ายโเวลาปัดคบบวัก เวียงวาพูดเวียงซ้ายถูยันคือให้บริกรรมอย่าให้อย่าขาดคำบริกรรมจากปรากมื่อจิตเข้าสู่ความสุบปักพรเป็นเพืนเ้นฐานแล้วจะนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างที่ผมว่านะจะพิจารณาถึงอสุภะผมแนะนาเรื่องพิจารณาอาสุภะเดองกระดูกนนี้เพอให้จิตจใจของเราอยู่ในกระดูกแล้วก็ให้กำหนดรู้เนีถ้าเห็นกระดู ใช่ตัวตนของเราแล้วความตายแน่นอนอยู่แล้วอีกสักวันหนึ่งเราจะต้อ ง, งทิ้งทัหมดของร่างกายอยู่แล้วนะเราก็ไม่รู้จะหลง เ, เ, เลกิดเพลินรูหลงไปกับสิ่บริสทําำไมถึงจะหามามาก น, อน้อยแค่ไหนถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนถึงจะมีครอบครัวรยังเป็นสุขขนาดไหนอีกสักวันนึ่งจะต้องแยกย้ายกัยกยกกนกลับบ้านขงใครของเราไม่ได้อยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินฉลายหรอก บอกน่าใจนะครับน่าใจนะครับบอกใจของตัวเองนะเนี่ยถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วผมว่านะจิเลตรราคาก็ดีความมูโทูสุในจิตในใจก็ดีจะเบาบางจะจิตใจของเราได้เพือพ่อเพื่อไคร้าพอเรารู้เห็นตามความเป็นจริงอุณภูิความร้อนในจิตในใจของเราจิเลตรราคาตสามวัวในจิตใจใจของ เราก็คงจะเบาบางลงะเพราะันว น, นี้ผมให้แนวความคิดสำหรับหมูเพื่อนในภาฐฐฐคปฏิบัติจิตตภนผมเน้ น, นหนว่าให้พิจรารณาเกิมาราณารุจติในอดับแรกคือทำจิตใหสงเมื่อจิตสงบแล้วให้พิจรารณามาราณารุติจากานใพิจรน า, นารณาร่างกายให้เห็นเป็นสุภะให้เห็นมเป็นขอไม่สวยงาม ให้ใจของเรารับรูต้ตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอสุภะแน่ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นใจอย่ารุ่งหลงกับร่างกายไม่เกินไปนะในช่วงน n g นั้นถ้าพวกเรารู้เห็นตั้งความเป็นจริงอย่างนี้แล้ว ม, มาพวกเราจะมั่นคงในพระพุทธศาสนาไดา้ถ้าพวกเราไม่พิจารณาถึงความตายขาดีไม่พิจารณาถึงอสุภนกเดนอกจากพุทธศาสนาไ้ง่ายๆเราะนั้นแะ กิเลสตอนน้อมันจะแทรกหลาดลงจิตใจของพวกเราออกจากภพละจันทร์แต่พวกเราพิจารนาอย่างนี้ไว้อยู่เสมอแต่กิเลสตนนัไหนจะเข้ามาได้มันเข้ามาสู่จิตใจของเราไม่ได้พราเรารู้ใจเห็นจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่หลอกนะจะจริงแท้แน่นอนนะตัว น, นี้นะเมื่อกิเลสเขาล้วมันมาหลอกทำมาของพุทธจาเป็นของจริงเปลี่ยนหน้าหนังเทียนนอนพิจารณ า, นาน ยืนเดินยดอในอริยบทในประธรมเตนาโดยที่ตายเนี่นะตายจริงนะกาเตียนานาเี่ยมันจริงจริงๆเลแต่ี่วะในจิเรตมัก็ร้องว่าตายก็ตายไปตเด็ตายอะไรเป็นไงนั่แมันจะออกไปยังไงแต่ผลใสุดสุดท้ายก็นั่นแหละจิเรก็ร้องไหาก็ถึแต่ทนทุกข์ทรมานจะทำมาถ้ารู้แจ้งเร็นจริงเนาะ มีแต่ความสมงบพรงเงย็นผาสุกนะไม่นิตใจเพราะด้า น, นพวกเราทุกๆกัร น, นะไม่ได้โหดดังมากให้พวกเราได้ยินได้ฟังคองเดี๋ยวก็จะเล้่นล่างหายไปเรื่อยๆนะมาตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกแล้วนกะ็